ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ช่วงนี้เราอยู ah ่ในช่วงกลางกลางกลางของสุรจูนุสในมุมมองของผมนี่นะวันวันนี้คือช่วง ช่วงทองของสุรช่วงสำคัญเพราะพูดถึงพูดถึงเรื่องสำคัญของสซร์ยูนุสก็คือเรื่องอัลกุรอานอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าสซร์ยูนุสสู่ประธานลงมาทีเดียวทั้งสุร และมีเป้าหมายหลักปกใจท่านนบีสุลตองอิสลมรวมถึงประชาชนอิสลามที่มีการปฏิเสธอัลกุรอานซึ่งเป็นทรัพสมบัติสาคัญของของมุสลิมทุกคนการเทศนาของท่านนบีก็ใช้กุรอานเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการเผยแพร่สัจธรรมการที่ถูกปฏิเสธอัลกุรอาน ถือว่าเป็นการเหยียดหยามดูหมิน่นตัวท่านนบีสุลต่าละวะอัลลอฮิวสลริมีงรุนแรงซึ่งยิ่งยิ่งการปฏิเสธนี่มันมาจากไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นญาติพี่น้องของท่านนบีแท้ๆเลยมันก็ทําให้ท่านนบีช้ำใจมากกว่ามากกว่าถ้ามีคนอื่นในปฏิเสธ กลุ่มชนของท่านนบีสอลต่าละฮะเลวซัลลัมที่ท่านนบีหวังว่าเขาจะเข้าใจนบีมากที่สุดเพราะเขาได้พิสูจน์ความสัจริงของท่านนบีตลอด40ปีก่อนที่ท่านนบีจะได้เทศนาลิสลามและคําสั่งสอนของพระเจ้าความช้าใจของท่านนบีแน่นอนมันก็ต้องส่งผลความบุคคลโศกเศร้าที่ท่านนบีต้อง ต้องประสบถึงขนาดที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺแล้วก็จะเตือนนบีให้ให้ระวังตัวไม่ต้องเศร้าใจเกินเหตุไม่ถึงขนาดที่จะต้องฆ่าตัวตายเ พ, อ พ, อพออราะพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานละละกบะบะฮิอุนัฟซักะละอัซาริม ا ل ل َ م ْ يُؤْمِنُ بِهَاذَا الْحَدِيثِ أ َ س ف َ لَعَلَّكَ ر ِ و َ ا ت ه جَقَحَتُ ا ل ط َ ي ر ِ أَنْيَمَا يَقُولُ ا ل ل َّ ه اللَّهُ د َ ي ت َ ن ْ تَنْعَ ل َ ي َ ا ٍُ د ْ م َ ا ئ ِ جُدْمَائِ س ُ و ْ س ُ و ْ ا ل ْْ ل ُ خ ْ ت ِ ف ِ ي ن َ ١ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ จะได้ไม่จะด้ม่เศร้าไงแล้ก็ไปถึงที่สุดเลยถึงขนาดที่จะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกฟะลอัลละก็รือว่าเจ้าจะฆ่าตัวตายเพราะเข้ไม่นเดออิลลัมยูอมินูเพราะข้ไม่ไเดอสัตทานีฮะดิลหะดิสตรงนี้ไะดิสนบีหะดีสงนี้คุรานเพราะเข้ไม่ไเดอเมเดอสัตทาในก่คุรานจะฆ่าตัวตายกระนั้นหรือหรเจ้าจะทําขนาดนั้นหรอไม่ต้องขนาดนั้น สุรทั้งหมดนี่สุรยูนุสเนี่อย่างที่บอกว่าเป็นการสนทนากับผู้ปฏิเสธอัลกุรอานน่แหละเรื่องอย่างที่ได้อธิบายมาหลายหลายสิบตอนแล้วนะครับของสุรยูนุสตั้งแต่เริ่มเริ่มสุร์แต่นี้จะมาถึงจุดจุดที่อัลลอฮ์ซุลฮานะวะตะลาจะบอกถึงขุมทรัพย์ของอัลกุรอานความเป็น ทรัพ ส, บสมบัตทิที่ล้ำค่าที่นบีและผู้ศรัทธาเนี่ยมีมีในมือซึ่งผมรู้สึกอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าสองสามอายะเนี่ยที่เราจะพยายามอธิบายให้เสร็จเนี่ยมันคือหัวกะทิของสุรุตยูนุสอันในสุรุตยูนุสนี่ตั้งชื่อ ว, อวอ่ายูนุสแสดงว่าพูดถึงท่านนบียูนุสและส่วนมากในสุรโรที่ถูกตั้งชื่อเนี่ย ไม่ใช่ท่านนบีก็ซาฮบะเป็นผู้ตั้งชื่อแล้เขาตั้งชื่อนี่น่าจะมีเหตุผลว่าสิ่งที่สำคัญที่ถูกกระบุในสูร์ก็จะเป็นชื่อของสูร์เรื่องนี้ก็จริงแต่ไม่เสมอไปจริงแต่ไม่เสมอไปเช่นสุรัสอัลบักรออัลบักร้อนนี่สองร้อยแปดสิบกว่าอายะ มีเรื่องสําคัญมากแม้ว่าจะเรื่องอากีไดเ้เรื่องหลักศรัทธาเรื่องหลักปฏิบัติสําคัญมากถ้าเทียบแล้วกับเรื่องวัวของบนรลุสุรินเทียบแล้วนะไม่ไม่ค่อยสําคัญมากนะักแต่ทําไม่ถูกตั้งชื่อในวสุรัสลักบกรเพราะมันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องแปลกใจเป็นเรื่องที่น่าทึ่งของสุรัสลักบกร ผู้รู้บางท่านถึงขนาดที่บอกว่าตั้งตั้งชื่อสุร Al ัลบากร้อนีเพราะกุกกาี้จะยาวนานและก็เรื่องวัวเนี่ยมันถูกกระบือในความเชื่อของพวกยิวแล้วเขาจะใช้เรื่องนี้นี่ยาวนานจนถึงวันเกียร์มัดเลยเรื่องวัววัวแดงนะเคยเคยเด่นขะองอันเนี้ยถึงเป็นเหตุผลแต่ผมว่าไม่ไม่ถึงขนไม่ถึงไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ความแปลกประหลาดของเรื่องอัลบากรอตัางหากที่เป็นเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นส่วนบากร้อนนี่ก็จะมีเรื่องเช่นสุรัตอัลบากร้อนนี่มีอายะที่สาคัญที่สุดในกุรานอายะอัลกุรซีทำไมไม่ไม่เรียกว่าสุรัตอัลกุรซีล่ะซึ่งเหมาะกับเหมาะกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็คืออัลกุรซีนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้ดุลพินิษของ องท่านนาบีและสัฮาบะในการตั้งชื่อสุร้อนนี่ก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งการตั้งชื่อสุร้อนนี่เป็นเอกฉันนะครับวัละมเอกฉันว่าไม่ใช่ทุกสุร้อนที่ท่านนาบีเป็นผู้ตั้งชื่อด้วยเหตุผลว่าบางสุร้อนนมีหลายชื่อแล้วก็กูรอ่านบางเล่มเนี่ยที่เขาพิมพ์กันตีพิมพ์กันนะ่ยบางทีก็ตั้งชื่อบางชื่อที่สัฮาบะเขาตั้ง ซึ่งเล่มอื่นไม่ได้มีชื่อนี้ทําให้คนสับสนเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลนี่คุณอ่านบิดเบือนบิดเบือนบิดเบือนสุราอัลกิตาลไม่มีนะสุราอัลกิตัลไม่มีคุณอ่านนี่มีนี่ไปดูนีุ่ณอ่านเล่มอื่นไม่มีเลยสุราคิตัสสุรา m u h a m ั a d สุราดิโอการ์สุฮาบะฮ์ข้อตั้งชื่อ หลายชื่องบางเล่มเนี่ยเขาก็เลือกชื่อนั้นมันไม่ผิดนบีเรียกสุรัลมุลกทีบารกัลลัสุรัตุทีบารักัลลิบดีฮิลมุลกนบีมีมีธรรมเนียมมีมีรูปแบบในการเรียกสุร้นีเรียกสุร้อด้วยด้วยเริ่มต้นของชื่อไงแต่เรียกเต็มไม่เหมือนไม่เหมือนเราบ้านเรานี่เรียก รเพราะนิสัยคนไทยเนี่ยชอบชอบกินคำเป็นเป็นกินอะกินไม่ไม่เหลือตาบารักข์ลือดียบดิลมุลกนี่คือชื่อสุราตอนต้นเราเรียกอะไรตบาอัมัยตซลูนีชื่อเต็มของมันที่อุลามบางทีก็เรียกสราอัลมัยตาซอลูนแต่ชื่อสุราที่ซาบกตั้งชืออันบะตบารักลดีเบิดลมุลกราอัลมุลกออบริษั สั้นๆเกินไปอ่ะสุระอัมมาสุระตาบาอะไรเงี้ยผิดไหมมันไม่ผิดมากหรอกแต่มันไม่คยเหมาะไงอย่างเราเนี่ยไปบอกไปบอกไปถามอรับนี่ยจำสุระตาบาได้ไหมบอกว่าไม่ได้ไม่มีไม่มีในคุตตาสุระตาบาเนี่ไม่มีชื่อชื่อสวยๆงามๆนี่ก็ไม่เหลืออัลฮัมมัดนี่เละแต่มะมัด กูสมานเนี่ยเลยก็มั่งใช่ไหมชอบไทยกับมลายูก็เหมือนกันแหละชอบชอบยอ่ออสรุปสุรัชยูนุสเนี่ยมีเนื้อหาที่ที่เป็นเนื้อหาหลักของสุร้อนี่ก็คือเรื่องความสําคัญของอลัลกรุรอานปลอบใจนบีเว้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจที่เขาบัฏิเสธสตา เจ้ามีขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้าและปฏิบัติตามอัลกุรอานนี้ย่อมมีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอัลกุรอานนี้โดยที่ไม่ต้องเสียใจเลยว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่เอาเขาไม่ต้องเอาเรื่องของเขาเ ข, า, ขาเป็นผู้ขัดทุนดังหา้เริ่มต้นจากการที่จะให้ ตีราคากุรอานนีว่ว่าเป็นสิ่งที่มีราคาสูงมีคุณสมบัติสูงเนี่ยจากอายะที่ผ่านไปแล้วในที่เราได้อธิบายว่าคนที่ปฏิเสธท่าวันเกียร์มาเนี่ถ้าเขามีทรัพย์สมบัติเท่ากับในชั้นฟ้าและแผ่นดินเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในบนผืนแผ่นดินนี้ทั้งหมดเนี่ยจะได้มาไถ่ตัวเนี่ยเขาก็จะเขายอมยอมที่จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยมาไถ่แต่ a l l a ในบอกว่า ทจริงแล้วทรัพสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah อลาอินนลลลาฮิมะฟิสสมะวาติอะยาไมคุนซูร่าวนินะอลาอินนลลลาฮิมะฟิสสมะวาติ والارض อลาอินน وع ดุลลาห์ ل ا ك ن ه م لا و ن ที่ Allah ได้ตั้งสมุติทานว่าถ้าคนที่ปฏิเสธศรัทธานี่มีทรัพสมบัติเท่ากับ ทรัพ ส, สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดบนผืนแผ่นดินนี้ทั้งหมดเนี่ยมาถ่ยตัวนี่เขาจะยอมยอมใช้จา่ายไปหมดเลยจะได้รอดจากอาสาบการลงโทษในปรโลกเขาจะยอมทั้งนี้สรัพสมบัตินี้อย่าว่าบนโลกอย่างเดียวนะทั้งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินในจักรวาลในโลกนี้ทั้งหมดเลยลินแ ล, ลฮีเพิรนทราบเถิดว่าแท้จริง ในชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็หมายถึงว่าอย่าไปเชื่อใจนะว่าวันเกียร์มาฉันจะมีทรัพย์สมบัติที่สามารถมาไถ่ตัวได้ไม่มีไม่มีการครอบครองทรัพย์สมบัติในวันเกียร์มาเนี่ยจะถูกยกเลิกทุกอย่างนี่ก็จะโอนไปยังเจ้าของเดิมคือพระเจ้าในโลกนี้ในพระเจ้า ยอมให้เราได้อ้างกรรมสิทธิ์เป็นการสมมุติเท่านั้น่ะเราซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อนาฬิกาซื้อมือถือแล้วบอกว่านี่นี่มือถือของฉันอันนี้ที่ดินของฉันนีของนี่ของของฉนเองของกูเองอันนี้เป็นการสมมุติเท่านั้นเพราะจริงๆเดี๋ยเจ้าของแท้ๆนี่ก็คืออัลลอฮ์ไม่ใช่ตัวเรา วันเกียร์มานี่ทุกอย่างนี้ก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่คืออัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติที่เราเคยครอบครองนะเอามาถ่ายตัวแล้วโดยเหตุผลนี้นบีได้บอกว่าอาดิสนี้ันดุลิอัลอาฮมัดนบีได้บอกว่าลีะถั่ลลัลอะฮัดุคุมมินอัคฮี <c oughs> ทุกคนเนี่ยต้องขอพี่น้องให้ฮัลันเขาหัลันนะเราทับศัพท์เลยนะเฮ้ยฮัลันให้ฉันหน่อยฮัลันนี่หมายถึงว่าอภัยให้ฉันมาอภัยฉันยกยกโทษให้ฉันฮัลันนี่มาจากฮัลลลฮัลลลนะฮัลลลคนอินโดนีเวลาเขาไปซื้อไปซื้ออะไรนะอินโดนีไมาชอบชาฟวอีมันไม่ชอบชา่วอีนี่ย โดยแท้เนี่ยของมาซบชฟีเนี่ยซื้อของนี่นะต้องใช้วาจาในการซื้อซื้อขายไม่งั้นไม่ซ้อ <c oughs> แล้วที่เขาทำกันเนี่ยนะันะนะนะไม่ใช่ชาฟอีอันนั้นมาลิกีบ้านเราเนี่ยด้านบัวอามาลาซื้อขายเนี่ยมาลิกีทั้งนั้นไม่มีชาฟีอีเลยชาฟีอีนี่นะข้าพเจ้าขายถ้วยราคาสามสิบบาทข้าพเจ้าขายถ้วย ใบนี้ราคาส0บบาทข้าพเจ้ารับซื้อถ้วยนี้ด้วยราคาส0มสิบบาทอันนี้ก็จากอิจาบกาบูลมาศรีชวีต้องทำไม่ทำก็ไม่ซ่อ น, นี่มาศรีชวีนะอุลามาชวีรุ่นหลังนี่นะรุ่นหลังรุ่นเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่พอได้พอได้ไดแล้วเขาแล้วเขาประดิษ สำนวนสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่งเขาเรียกกับับอุลมวัวต้าสัญญาซื้อขายแบบยื่นรับอ่ะอ่ะอ่ะถ่วยอ่ะสามสิบบาทโดยที่ไม่ต้องพูดนะพอเอาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยืมาแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเล็กน้อยเนี่ยนะพอได้มาสอชวีแต่ถ้าเป็นของใหญ่โตที่มีค่าเมนไม่ได้เนี่ยต้องอิจฉากระบุน ต้องอี جاب แล้วขบูลอินโดนีมัธยมชีใช่ป่ะแล้วจะไปแล้วจะไปวาจาในทุกเรื่องอะนะฉันซื้อปักชีมัดนี่ห้าบาทฉันขายผักชีมัดนี่ห้าบาทฉันซื้อมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะก็ต้องไปตลาดตั้งแต่เช้ามืดนันออกนกช่วงบ่ายไปเลยนะ <laughs> แม่ค้าที่เข้าไปซื้อไปยิ้วในของเป็นร้อยอย่างนะโอ้แค่วาจานี่็ลูกี่ชั่วโมงแล้วและไอ่วาจานี่ซื้อขายเนี่ยอันนี้หลังจากตอรองตอร้องไปก่อนให้เรียบร้อยนะพอโอเคแล้วเนี่ยถึงจะทำวาจานี่จะได้จบทีนี้มันจะมันจะนานมากอ่ะอินโดนี่เขาง่ายเขามาจับชาวีเหมือนกันะเห็นเขาที่ไปมากา์นี่เวลาเขาซื้อของกัน คือเจ้าของสินค้านี่เขาก็จะบอกว่าอันนี้สองเรียนแต่เขาจะเาจะต่อรองใช่ปะจะต่อรองแล้วก็จะซื้อซึ่งเขาไม่รู้จะต่อรองยังไงจะอะไรยังไงแต่เป้าหมายสําคัญของการซื้อขายเนี่ยคือยินยอมอ่ะเขาก็จะยื่นให้อาเขาเขาบอกก็สองเรียนนะเขาจะยื่นยื่นให้เรียนเรียนหนึ่งเรียน่นยนนะแล้วก็เอาสินค้ามาแล้วบอกว่าฮาลัลฮาลัล ฮาลัลฮาลัลเคยใครเคยไปนี่เคยเคยเห็นเคยเห็นนี่นะดาม่านี่ฮลัลฮลัลฮลัลฮาลัลปาเคยเห็นไ่มทาด้วยเอาด้วยเพราะมันง่ายดีนะพูดคาเดียวจบนะอ่บิสมิลลาห์จบฮลัลฮลัลเขาบอกว่าฮลัลนี่แสดงว่าแสดงว่าก็นี่ไงวาจาไงให้ไปหนึ่งรียนนะ แล้วก็เอาสินค้าแล้วก็ฮาลัลหมายถึงว่ายินยอมแล้วใช่ไหมฮาลัลนะแกฮาลลให้ฉันนะแต่บ้านเรานี่ฮาลันฮาลันให้ฉันนะใช่ไหมให้ฮาลันให้แกฉันฮาลันให้แกละฮาลันนีมาจากฮาลนลนบีบอกว่าเลียตาฮลอหาุกกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจงขออภัยให้พี่น้องเนี่ยยกโทษในโลกนี้ ليتحلل أحدكم من أخيه قبل ألا يكون درهم ولا دينار قاندة وانم ماي مي درهم ماي مي دينار ماي مي เง ن ترا ماي مي ثنابت تي ل ا تايتوا أو ل ا كار هاي ح ي نبي بوقو نمل حسنة توا سيئات ن ترا ي جا شاي ت ا ي ت ني كي ي و ق و أ ق و و ถ้าเรามีภาระหนี้สินกับคนอื่นแม้ว่าจะเป็นภาระหนี้สินเป็นเงินทองจริงๆหรือภาระหนี้สินอันเป็นสิทธิอื่นๆสิทธิในการล่วงเกินในการละเมิดสิทธิต่างๆการที่จะให้อภัยกันนะก็จะใช้ความดีและความชั่วเอาความดีของเราเนี่ยไปชดการละเมิดที่เราละเมิดคนอื่นเขา ถ้าความดีมันหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาความดีไม่มีแล้วใช่ไหอย่างนั้นเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาใส่เราจะได้ชดการละเมดของเราอันนี้คือเรื่องเดียวที่ Allah จะให้เราได้มีโอกาสครอบครองในวันเกียร์มไม่มีสตังแล้วนะครอบครองสตังไม่ได้ แ, แต่ครอบครองความดีและความชั่วซึ่งเป็นการครอบครองที่เป็นรูปธรรม และที่เร า, าได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เราครอบครองจริงๆทั้งในโลกนี้และก็โลกหนะ้าอะไรในโลกนี้เนี่ยที่เราต้องขนขวายกันจริงๆเนี่ยที่จะถือกรรมสิทธิ์นี่คือความดีความดีนี่มันคือติดบัญชีธนาคารสากลละโลกเบิกได้ทั้งในโลกนี้และก็โลกหนะ้าบาปก็เช่นเดียวกันความชั่วนี่ธอทาไปแล้วเนี่ยมันก็ติดบัญชี ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอัลลอฮ์ س ะได้บอกว่าสถานการณ์ที่เราจะได้เห็นมหาอำนาจของอัลลอ์ที่ได้ครอบครองสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเคยแอบอ้างว่าเป็นของเรานั้นมันจะปรากฏจริงอลลออินน่าวดอลาฮิฮักุนพึงทราบเธอแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นจะเกิดขึ้น จริง ส, สถานการณ์นั้นๆนะที่ทุกคนเนี่ยจะหันไปดูเอ้ยแอปธนาคารของฉันหายไปไหนเอ้ยโฉนดที่ดินของฉันอยู่ไหนเอ้ยทะเบียนบ้านอยู่ไหนที่เราเคยครอบครองกันสตุ้งสตังมากมายหลายชนิดหลายประเภทไม่มีเลยที่จริงเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็รู้ความจริงนี้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้โดยสักจริงที่เรา ที่มันหมุนเวียนต่อหน้าสายตาของเราตลอดการคือความตายเราเห็นเ้าตายแต่ไม่เคยเห็นคนที่ตายเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะพาไปด้วยไม่มีไม่มีมมมมแม้กระทั่งความเชื่อหรือลทัทธิบางความเชื่อนี่นะรู้ว่าไปแล้วเนี่ยไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีช่องไม่มีอะไร ย, ยังเผาตามไปอีก เผาส่งไปสงสารอากงไม่มีบ้านเผาบ้านทั้งเผาบ้านบ้านกระดาษนั่นนะเผาไปเลยส่งให้อากงพอรู้ไงว่าอากงตอนตายอะนะไม่ได้เอาบ้านของตัวเองไม่ได้เอาฉนดบ้านไปด้วยไอ้ตอนฝังในสุสานนี่ทำไมไม่เสียบฉนดไปด้วยลนะ่ะของจริง่ะ เสียียบฉนดไปด้วยดิเผื่อจะใช้ได้รู้รู้กระจายมันไม่ได้หรอกภาพลวงทั้งนั้นทั้งนั้นภาพลวงวลากินหนักซาห์มลลมุนแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้คือส่วนมากนี่พวกเขานี่ไม่รู้ไม่ตระนักดีถึงสัญญาอันเป็นความจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานาต์จาราได้สัญญา h u a y พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายให้มีชีวิตและให้ตายและให้ตายไวลฮิร์จ اؤ และยังพระองค์เท่านั้นพวกท่านจะถูกนำกลับไปนี่คือเรื่องที่กุรอ่านจะชอบพูดบ่อยนะว่าการกลับไปสู่พระเจ้า มันคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องนึกเสมอและไม่มองข้ามและไม่ลืมสองอญญายะที่ผ่านไปแล้วนี้ก็เป็นสองอญญายะที่จะพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติทางโลกทรัพย์สมบัติที่มีรูปธรรมสตังที่อัลลอฮฺได้บอกว่าในอญญายะห้าสบสี่นี้ว่าถ้าใครมีสตัง์แค่ไหนในวันเกียร์มาเนี่จะได้ถ่าย ใครตัวนี่เดี๋ยวเขาต้องเอามาใช้แต่เลาบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่นของอัลลอฮ์แม้กระทั่งชีวิตการมีชีวิตการไม่มีชีวิตนี่ก็เป็นของอัลลอฮ์สุดท้ายนี่พวกเจ้าจะ ต, ต้องกลับไปหาพระองค์เอาแล้วทรัพย์สมบัติอะไรแล้วที่จะทําให้มนุษย์นั้น มีความมั่งคัง่งทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าหมายถึงว่ามีทรัพย์สมบัตินี้เนี่ยให้ดีใจเลยให้สบายใจได้เลยว่าจะไม่ขาดสภาพของ ส, ส, ส, ส, สภาพคลองจะไม่เกิดสภาพล้มละลายจะไม่เกิดสภาพยากจนอันจะไม่มีอะไรมาแลกกับความหายนะ หรือการลงโทษในวันเกี้ยว ม, มันมียังมีอยู่ทรัพสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ที่ผู้ศรัทธาหรือมนุษนย์ทุกคนเนี่ยต้องสแสวงหานี่นะครับผมว่าอายะเนี่ยห้าสิบเจ็ดเนี่ยเป็นอายะที่มีความสำคัญมากนะครับในโร์ุสอัลลอฮ์กําลังจะบอกว่าทรัพสมบัติที่พวกเจ้าสะสมกันตลอดชีวิตเนี่ยจะได้มีประโยชน์ในโลกนี้แล้วยัง หลงตัวเองนึกว่าจะมีประโยชน์ในโลกหน้าหากพวกเจ้าได้ประสบกับความหายนะแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้เป็นของแท้จริงเป็นของอ AH. ัลลอัลเราจะไม่ให้พวกเจ้าครอบครองในวันแก่มา่แต่มีสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้พวกเจ้านี่ครอบครองแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าทั้งในโลกนี้แลวก็โลกนั้นคือกุรอุทรัพย์สมบัติที่สาคัญที่สุด มาพูดถึงกุรอ่านในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสำคัญมากกว่าทรัพสมบัติที่เราใช้เวลามากมายในชีวิตของเราในการขนขวายในการสะสมใช่ไหมเราใช้เวลาในการหาเงินหาตังหาตัง ส่วนมากพวกเราจะใช้คำหาตังค์บางทีก็ใช้หากินทำมาหากินหางเงินทำงานกี่ชั่วโมงละ่ะผลประโยชน์ที่เราสแสวงหากันในโลกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลาในชีวิตเนี่ยมันก็ไปกับพวกนอนนี้เราต้องยอมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติ เป็นเงินเป็นทองที่เป็นรูปประธรรมแล้วเป็นทรัพย์สมบัติที่มนุษย์ทุกคนเนี่ย ส, สัมผัสได้แต่ทรัพย์สมบัติที่เชิงนามาทาอย่างกุรอานนี้ความมาัความสำคัญของอัลกุรอานนี้เป็นทรัพย์สมบัติเป็นทรัพย์สมบัติที่จริงตามหลักศา ส, สนานี่คุณค่าของกุรอานเนี่ยในโลกนี้ถือว่าเป็นความรู้ถือว่าเป็น ส, สมบัติที่มีที่มีราคาด้านเงินด้วยนะฉะนั้นในทัศนะอุลามาส่วนมากนี่บอกว่าคนที่สอนกุตัานนี่ให้ค่าตอบแทนได้ให้ค่าตอบแทนนี่ค่ะสอนกุตั้นได้แสดงว่าการการกา ร, การมีความรู้กุตัานนี่มันก็มันก็ตีราคาได้เนี่ยแต่คุณค่าของกุตัานนี่มันจะเหนือกว่าราคาที่คนส่วนมากนี่เขาเขาตีราคากัน ในโลกปัจจุบันนี้ความรู้ของครูอ่านนี่มีราคาที่ต่ำที่สุดครูสอนครูอ่านนี่เรียกสัปดาเรียกค่าค่าละสองบาทไปสอนไปสอนเด็กที่บ้านนะนะสอนพิเศษหน่อยสอนเรียกตัวครูมาสอนพิเศษสองบาทโอ้แพงโอ้หครูทำไมแพงเนี่ยแพงแต่ครูมาสอนวิทย์สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนคาบละห้ารอย่างเงี้ยสอนเคมีฟิสิกส์ฟิสิกส์คาบละเจ0 8ร0อยแปดรอยิ่งถ้าเป็นครูดังๆนะขอให้ไปติวไปติวที่ที่นั่นๆห้าร7 0ยเจ็ดอยนี่ก็ไม่แพงไม่แพงหรอกไม่กล้าพูดด้วยเฮ้ยสอนติวติวคาบละห้าร้อลองไปพูดดิแพง ไปต่อรองกับหมือนโตคูเนี่ยสอนคุตอ่านน่ยน่าสงสารนะสอนกุตอ่านสามรอยบาทนี่ต่อรองคูขอสักร้อยห้าสิบได้ไคน ม, มาต่อรองโะครูเขาโตครูไม่มีจะกินแล้วเนี่ยไปต่อรองเขาเราเนี่ตีราคากุตอ่านนี่ต่ํากว่าต่ากว่ายังอื่นอย่างแน่นอนแน่นอนทั้งนั้นที่เรารู้นะเรารู้เวลาตายแล้วอะนะ ลูกเราเนี่ไม่ได้เอานั้งสือฟิสิกส์นี่มาอ่านมันอ่านให้พ่อเลยไม่ได้เอานั้งสือเคมีนี่มาขอดูอาให้อย่อนีด่ดูดิสมการเคมีนี่มันจะช่วยช่วยเข้าสวรรค์มน่เรารู้นลว่าการที่เรียนศาสนาเนี่ยที่มันจะมีประโยชน์ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแต่เราไม่ให้ราคากับกุรอ่านแบบนี้ไงไม่ได้เป็นแบบนี้คุณค่าของกุรอ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะ Allah ي ب ا يا ة ب ي ه ا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمة للمؤمنين ซิย يا, يا أيها الناس ومنتقاي قد جاءتكم موعظة من ربكم แท่งคดคด ت น ا ت ่ ن ق د ق د ت ยาอัดกุ่มหมายถุงมิรบิกุมข้อตักเตือนคืออัลกุรอานจากพระองค์จากพระเจ้าของพวกท่านได้มายาอัดกุมได้มายัางพวกท่านแล้วกุรอานนี้นะคือหนึ่งเป็นมอไวซ์มิร บ, บิกมุมจากพระเจ้าของพวกท่านหนึ่งกุรอานนี้เป็นมอไวซ์เป็นข้อเตือนนี่หนึ่งวาชิฟาอุนและมันนี่คือ อุรอานนะเป็นการบำบัดาฟิ ส, สุูดูรสิ่งที่มีอยู่ในทรงอกตรงอกในหัวใจหน่งเป็นม้วอย่าเป็นข้อเตืนอน2เป็นชิฟาอุนเป็นยาบำบัดวัลฮุดันและเป็นการชี้แนะทางฮุดาเป็นทางนำนะอัลลมาตุน และเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาสีส่อย่างอนี้ต้องมาอธิบายอย่างละเอียดนิดนึงคุตาเนี้เป็นเมตไตรยเป็นข้อเตือนทำไมสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับคนที่หลงทางหรือใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังจนกระทั่งมีโอกาสจะประสบกับฮหยนะ และความวิบัติในชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนั้นนะ่ะนะไม่ใช่เครื่องอาํานวยความสะดวกเช่นเรากําลังใช้ชีวิตแบบมีความสุขเต็มที่นะแล้วมันจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหรือมีพายุหรือมีเซนามิหรือมีอะไรสักอย่างแอจะช่วยไหมรถช่วยไหมไอ้ของพวกเนี้ยสตังในบัญชีเนี่ยมันจะช่วยอะไรไหม เห่ไหมสรับสมบัติทั้งนั้นน ะ, นะแต่มันช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยจริงๆนี่คือข้อเตือนเสียงเตือนเสียงเตือนภัยจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นข้อความจะมีคนมาเตือนมาบอกจะมีใครมาแจ้งมาแจ้งข้อมูลมีข่าวออกนั่นน่ะคือสิ่งที่สาคัญที่สุดขอให้เรามีสรัสมบัติอย่างอื่นนี่ถ้ามันไม่ช่วยให้รอดจากภัยพิบัตินี้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ มันก็ไม่มีความหมายคนรวยที่ตายไปในสึนามินี่รวยพันล้านอะนะตายในสึนามินีเพราะอะไรเพราะสะตังเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเตือนภัยตอนตอนที่เขากำลังใช้ชีวิตแบบสำราญที่สุดตามใช่ไหมช่วยไม่ได้สตังเขาช่วยไม่ได้กุรา น, นี่ก็จะมาเตือนภัยคนที่ใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยแบบหลงหลงลืมลืม ลืมตัวว่าถูกสร้างมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ในโลกนี้เนี่ยทำไมซึ่งความหลงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่เกิดกับมนุษยชาติเกือบทั้งหมดเลยใช้ชีวิตในโลกนี้นี่โดยที่ไม่รู้ตัวว่าในโลกหน้านี่มันมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวให้ดีคุรา น, นี่มาเป็นข้อเตือนในเรื่องนี้ ชัดเจนเลยนะครับว่ากุรอ่านนี่พูดถึงเรื่องวนเกียรมากนี่เป็นเนื้อหาเป็นสาระสำคัญที่สุดเตือนว่าโอ้มนุษย์นี่อย่าอย่าอย่าหลับอย่านอนอย่าอย่าเผลออย่ทาทำไม่รู้ไม่ชี้ข้อเตือนคุรอานจะอัดคุมมาหว๋ยกระตุน้นมีข้อเตือนมาจากพระเจ้าของพวกท่านกุรอ่านจึงเป็นเสียง เตือนภัยที่สำคัดสาคัญที่สุดสาหรับผู้ศรัทธาที่จะทำให้เขาเนี่ยแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นแตกต่างถ้าเราไปดูหอพักนักศึกษาที่จะสอบพรุ่งนี้สอบพรุ่งนี้แล้วเราเห็นนักศึกษาที่อยู่ในในห้องนในในหอนี่นะหลับกันหมดเลยไม่มีใครอ่านดูหนังสือแต่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่ง รู้ว่าพรุ่งนี้จะสอบใช่ไหมมีคนหนึ่งยังไม่นอนกาลังอ่านหนังสือดูหนังสือจะรู้เลย ว, ว่านักศึกษาคนนี้นี่นะแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นนี่ไม่สนใจพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนี่กรช่างแล้วอ่าบางคนบอกโอ้กูเก่งกูเก่งแล้กูกูอยู่นี่นี่หมดใช่ไหมแต่คนที่ทบทวนนี่เขาไม่ประมาทคนที่ถึงเวลาสุดท้ายนี่เขาก็ยังดูหนังสือนี่นี่ ข้อแตกต่างว่าเขาไม่ประมาทเขาเตรียมตัวจริงๆนี่คือข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาที่น้อมรับอัลกุรอานมนาะเป็นข้อเตือนชีวิตเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ใหลับนอนไม่ให้เผลอกับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยสำหรับบนเกีมอมะกุรอานจะสอนให้เราเตรียมตัวสำหรับบนเกมมาแล้วแปลกนะเป็น เป็นข้อที่จริงนะ ม, ม, นมุสลิมเนี่ยมุสลิมนี่มีเยอะแต่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนที่ใส่ใจกุรา์านกันแต่จะาก็จะเห็นนะคนที่อ่านกุรา์านศึกษากุร์าเนี่ยจะเป็นคนที่มีความระมัดระวังในชีวิตของเขาเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่ใส่ใจกุรา์านจะสังเกตได้เลยมันค่อนข้างเป็นสม ก, การที่ตายตัวเลยนะคนที่อ่านกุร์านทุกวันคนที่ใส่ใจในการเรียนรู้กุรา์าน มักจะเป็นคนที่ระวังตัวในเรื่องทำบาปพยายามห่างไกลจากบาปพยายามขยันทำความดีแตคนนี้ไม่ได้อ่านกูอ่านเลยไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจเลยกรอาน <laughs> ไม่สนใจเลยก็มักจะเห็นเป็นคนที่หลวมตัวนิดหนึ่งในเรื่องอาจจะไม่นิดก็ได้หลวมตัวในเรื่องทำบาปหลวมตัวในการใส่ใจทำความดีกูอานนี่เป็นตัวแปรจริง สามารถพิสูจนได้ด้วยตัวเองเวลาเราอยู่ใกล้ชิดกุตตอ่านอ่านกุตอ่านทุกคนศึกษากุตอ่านทุกวันเราซึ้งกับกุตอ่านเวลาอ่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกขนลุกอ่านกุตอ่านน้ําตาไหลอ่านากุนต อ, อ่านกลางคืนร้องไห้อแบบนี้คือเรารู้สึกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรากุตอ่านนี่สามารถขย่าให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเรารู้สึกด้วยตัวเอง เป็น ไ, ปไม่ได้ที่เราจะอ่านกุตอ่านอานทั้งวันอ่านทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะเหมือนคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้อาจจะมีแต่ท้ามีนะคนที่อ่านกุตอ่านทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแต่พฤติกรรมเหมือนกาเฟสเหมือนมูนาฟิกนี่นะเขก็เป็นมูนาฟิกเป็นมูนาฟิกอ่านกุตอ่านเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์แต่แต่คุตอ่านนี่ไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอะแล้วก็แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรละ่ะ ไม่วาย่ข้อเตือนและด้วยเหตุผลนี้เนี่ยท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกว่าในอาลีซบันตุยมุสลิมท่านนบีได้บอกว่าอัดีนนนซีฮะว่านซีฮะเนี่ยว่านซีฮะเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์รักษของมันนะนะนซีฮะเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือการตักเตือนฉะนั้นคนที่แปลฮะดิษนี่เนี่ยอ ด, ดีนุนนซีหคือการตักเตือนแปลไม่ผิดแปลไม่ผิดหรอกเขาเรียกว่าอัตตัฟซีรบิลมาแอลอธิบายคําด้วยจุดหมายของมันนหมายถึงอะไระในบรรปลายของความหมายนี่คืออะไรคือเรื่องตักเตือนโอเคแปลไม่ผิด แต่จะบอกว่านศีห์ห้านี่แปลว่าเรื่องความบริสุทธิ์ความขาวสะอาดมันต้องเป็นแบบแปแบบนี้มันจะได้ถูกคําก็ได้อะไรแต่ที่สุดเนี่ยอนศีห์ห้านี้นะก็คือตักเตือนน่ะนบีจึงหมายรวมว่าศาสนานี่ขึ้นอยู่กับการตักเตือนและนี่เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นสิ่งที่อุลมามะได้เอกฉันเลยนะความสําคัญของอนศีห์เพราะสํานวนฮะดีสเนี่ยมันคล้ายคลสํวสํานวน อันี ن ن ين ين ่นบีว่าอัลฮักจุอรฟะรุกุนสำคัญของฮจนี่คืออรฟะฮจนี่ก็มีรุกูนยางอื่นด้วยใช่ศาสนานนี้ก็มีเรื่องอื่นสำคัญเหมือนกันแต่ทไมนบีบอกว่าดีนุนนีหะศาสนานีคือนีหะและพูดซ้าไปสามครั้งด้วยนะสามรอบเลยนะดีนุนนีะดีนุนนีะดีนุนมครั้งแสดงว่าสำคัญจริงๆเรื่องตัดเตือนสำคัญจริงๆ เรานี่จะเตือนใครนี่นะถ้าเราเตือนในเรื่องโลกคนกําลังทํากับข้าวแล้วก็กำลังจะโดนไฟผมกเฮ้ระวัาวางไฟนี่เตือนน้านโลกมีพายุมาเราก็เอาข้อมูลเรื่องพายุนี้ระวังพายุปิดห น, น้าต่างนี่นี่เตือนเรื่องในเรื่องโลกอันนี้ไม่ต้องมีความรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาแต่การเตือนในเรื่องศาสนาเนี่ยที่อาจจะใช้เนื้อหาด้านศาสนา ไม่มีเราไม่หนีไม่พ้นนะครับว่าจะต้องใช้เนื้อหาจากอัลกุรอานและฮะดีสแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวบทจากกุรอานและฮะดีสเราจะเตือนกันเรื่องศาสนาแล้วจะเอาเนื้อหามาจากไหนล่ะเรื่องศาสนาก็ต้องมาจากกุรอานและฮะดีสแต่ชาวบานในเวละก็เตือนกันเอาสูงจะนอสิหัดกันหลังละหมาจจะไปที่ไหนก็จะนอสิหัดกันอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะคนที่จะเตือนกันนะเพื่อนเพื่อนจะเตือนกันเตือนเตือนกันเรื่องนอสิหัดกันอย่างเงี้ย เตือนกันต้องมีคุณอ่านต้องมีฮะดีสะต้องมีทุกครั้งต้องมีคุณอ่านฮะดีสกู้ผู้รูน้นี่งั้นน่ะเราสิหัดนี่มันต้องเป็นผู้รูนะ้ล้วไม่ต้องไม่ต้องพ่อเตือนลูกอย่างเงี้ยพ่อแม่เตือนลูกเฮ้ยละหมาดยังละหมาดซะนี่นี่เป็นเตือนเรื่องละหมาดต้องมีตัวบทหลักฐาน่าพ่อจะมาเตือนลูกให้ละหมานี่ต้องละหลมาดเพราะอัลลอฮฺบอกว่าอยายู่ัลลซีนะวัก ถ้าจบจบเล่นะถ้าเรามาเตือนกันต้องมีตัวบทล้วะมุสลิมทุกคนเนี่ยสามารถเตือนได้โดยที่ไม่ต้องอ้างหะดีสแต่เนื้อหาที่เขาเตือนเนี่ยมันต้องมาจากกุรอานและฮะดีสอยแล้ ว, น, ลวนะเราเห็นคนกำ ล, ลังกำลังกินเหล้าอยู่กําลังบริโภคสิ่งที่ฮ ARAM อยู่เฮ้ยกินเหล้าฮ ARAM นะเพราะมีอัลลอฮ์อะไรนะอายะอะไรนะมัต้องบอกเลยเนี่ยเหล้านี่อัลลอฮ์บอกว่าบาปฮ a รามกินไม่ได้แค่นี้มันก็ใช่แล้วมันไม่ต้อง และถือว่าได้ทำหน้ า, นาที่ในการนรเสียห้าในการตักเตือนและถือว่าเป็นการเตือนด้วยกุรานไปซ้ำพราะเนื้อหานี่คือมาจากคุรานบัญญัติว่าคำว่าเน่าๆนี่มันบาปมาจากไหนมาจากคุรานไงถ้าเราบอกว่าอย่ากินเหล้าเพราะเรานี่มันบาปเนื้อหานี่นี่เประโยคเนี้มาจากไหนามาจากาาจากาุร า, านโดยที่ไม่ต้องอ้างตัวบทชัดๆนะอัน น, นี้ตัวบทอย่างงี้สุร้อนนี่ตรงมานะี่ไม่ต้องขนาดนะ ก็ถือว่าเตือนถือว่าถือว่าตักเตือนด้วยกุรอ่านนั้นคนที่บางทีนี่มีคนเขาไปตําหนิพี่น้องดาวะเนี่ยโอยบางทีนี่พี่น้องดาวะนี่บันยานกันครึ่งชั่วโมงนี่ม่มีกุรอ่านสักบทหนึ่งไม่มีหาดิสสักสักบทหนึ่งเพราว่าไอ้พวกที่ตําหนิพี่น้องดาวะนี่บางทีนี่บรรยายกันสาชั่วโมงไม่มีกุรอานฮาริสเลย นี religion, Valerie, 30, 30, ่ก no ็ไ no ม right? so ่มีนะบางทีก็พูดเป็นยี่สิบสามสิบตอนนะไม่มีกุรอรานฮะดีสเนี่ยมีแตมีแต่เรื่องกุลดาวกอลูเขากล่าวว่าเราเราตอบว่าเขากล่าวว่าเราขอตอบว่าอย่างนี้ตลอดแต่ที่พี่น้องดาวน์นี่เขาไปเตือนชาวบ้านนี่เขาเนื้อหานี่เนื้อหานี่มีแต่มีแต่กุรอานและฮะดีสแน่นอนแต่บางทีนี่ยใบยานี่พี่น้องดาวน์นี่เขาเขาต้องการเอาใจชาวบ้านไง ชาวบ้านนี่จะเอาคุรอ่านฮะดีสเพูดอย่างเดียวนี้ไม่ไม่เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังลองคิดลองจินตนาการดิบัญญันี่มีแต่คุรอ่านและฮะดีสอัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างนี้ความหมายว่าอย่างนี้ฮะดีสอย่างนี้ชาวบ้านนี่ที่ที่เพิ่งเอามาจากนี่เอามาจากริมถนนเอามาจากบ้านเนี่ยจะได้มาละหมาดครั้งแรกในชีวิตน่ยนะมาเจอคนอ่านแต่กุรอ่านอ่านฮะดีสนี่ยก็น้องดาวา น, นี่ก็ต้องมีเรื่องมีเรื่องเล่า มีเรื่องเล่ามีเรื่องฝันมีเรื่องอะไรเรื่องถึงเขาก็เลยมีเรื่องเยอะก็ถูกตําหนิว่าดูดิ <ś c oughs> มีแต่เรื่องเล่ามีแต่เรื่องฝันไม่มีไม่มีเนื้อหาจากกุศลอะฮัดิสเลยใช่เพราเขา้าไม่ได้สอนไม่ได้สอนนักศึกษาที่มหาลัยมาดีหน้าเนี่ยเขากำลังสอนคนนี่ไม่เคยละหมาดในชีวิตเนี่ยเพิ่งได้ตูงมาละหมาดที่มาสิครั้งแรกในชีวิตอาบน้ำละหมาดก็ไม่เป็นละหมาดก็ไม่เป็นให้มาอ่าน ให้มาอ่านคุณค่าอามันหรือเรียกทุซอยละนี่บุญแล้วบุญแล้วชีวิตเขาเนี่ไม่เคยฟังกุศลไม่เคยฟังหาริสเลยแต่การที่จะเปลี่ยนคนเนี่ยมันต้องค่อยค่อยเปลี่ยนใบายา น, นี่ก็คือจุดเริ่มต้นหรือเขามาแล้วมาแล้วก็ต้องฟังใบายานใบายานเนี่ยต้องสนุกต้องกระทบความรู้สึกของเขาก็ต้องมีเรื่องเรื่องฟ e e l i n g ไงและเนะื้อหาที่เขาพูดเนี่ยมันก็ล้มลอมๆเนี่ยมัน มันอยู่ในในเนื้อหาที่พอที่จะดึงคนเนี่ยให้รักศาสนามากขึ้นศิละปะในการสอนเรื่องราวของศาสนาที่จริงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มีในกุรานนี่แหละกุรานนี่ไม่ได้มี أ ح ك ามทั้งเล่มอ أ ح ك ا มแปลว่ากฎหมายบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายข้อปฏิบัติทั้งเล่มไม่ใช่กุรานไม่ได้มีอากีน่าหลักศรัทธาทั้งเล่มกุรานมีเรื่องมีเรื่องเล่า เรื่องบรรดาอบดุลลาสูลมีคนในยุคก่อนนู่นนะเขาจะทํำยังไงเขาจะเคยโต้เถียงกันยังไงก็มีมีเรื่องเล่าคนนี้อ่านกุรอ่านไม่เบื่อเนี่ยศิลปะของกุร์านในการในการเล่าเรื่องในการเตือนนะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถเอามาเอามาทําได้ฉะนั้นในฮานิสุงท่านอับดุลลสัลลอฮฺอัสซาลามเช่นเดียวกันก็มีเรื่องเล่าอับดุก็ใช้เรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงไงใช้เรื่องเล่าใช้อุทหหอนอุปมาเยอะ อูอานได้บอกว่าการอุปมานี่มีไว้สําหรับคนคนที่มีปัญญาเท่านั้นอติลกลอัมซาลูนอตริบูฮาเลนัสนี่นี่คืออุทาหรณ์คืออุปมาที่เราได้ยกไว้ยกให้ไม่มีใครจะเข้าใจอุปมานี้อุทาหรณ์นี้อิลัลกาลิมูนไม่ عقل ุฮะอิลัลกาลิมูนมีแต่คนมีความรู้มีวิชาเท่านั้นที่จะเข้าใจแสดงว่า การนำเสนอข้อตักเตือนเนี่ยมันก็ต้องมีความหลากหลายเช่นเดียวกันให้คนได้ให้คนได้สนุกในการบริโภคข้อตักเตือนทั้งนี้ข้อเตือนสาคัญของกุฎอ่านเนี่ยที่จะทำให้เรารู้ว่าได้รับได้บริโภคข้อเตือนจากกุฎอ่านแล้วก็ได้ผลนี่คืออะไรคือเปลี่ยนแปลงอ่านกุฎอ่านอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่มีประโยชน์อ่านกุอ่านศึกษากุฎอ่านและยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีประโยชน์ เขอใจกุตอานทั้งเล่มแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีประโยชน์พอเป้าหมายของกุตอานในการเตือนนี่คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตจากคนที่ทำบาปไม่ทำบาปเลยจากคนที่ทำบาปมากหายทำบาปน้อยจากคนที่ไม่ทำความดีหายทำความดีจากคนที่ทำความดีน้อยห้ททำความดีเยอะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเข้าๆนะให้เราเข้าใจเปลี่ยนแปลงไงนี่นี่เปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยทาบาปไม่ทาบาปเลย นี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่กุตั้นสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนแบบนี้ที่จะไม่ทำบาปเลยนะไม่เป็นไปไม่ได้แต่ที่ทุกคนสามารถทำได้และเป็นตัวพิสูจน์ว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆนะนะจากคนที่ทำบาปเยอะให้ทำบาปน้อยที่สุดเท่าที่ทำนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ากุตัานได้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ แสดงว่าคุณค่าของกุรอ่านว่ากุรอ่านนี่เป็นข้อเตือนทั้งดังดีคนส่วนมากเนี่ยเรื่องเตือนนี่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนชอบนักถ้าเรามีเพื่อนที่ชอบเตือนตลอดเวลาเนี่ยเอาเป็นเพื่อนเอามาเป็นเพื่อนไมเอาไห ม, าอ ม, อามาชอบมาเพื่อนแบบเนี้เจอเมื่อไรก็เตือนเจอที่ไหนก็เตือน ที่จริงเพื่อนแบบนี้ที่เตือนตรงๆไงะนะเตือนตลอดตลอดเวลานี่ก็ไม่ฉลาดเพื่อนจริงที่สงสารจริงที่เป็นห่วงจริงไงนะเขาต้องส่งข้อเตือนในแหละรูปแบบเหมือนที่กูอ่านราคาที่สุนท่ร น, นาบีเตือนทางอ้อมบ้างเตือนด้วยด้วยอุปมาบ้างเตือนด้วยการยกตัวอย่างบ้างให้ให้ให้เพื่อนเรานี่ไม่ไม่ไม่เบื่อการตักเตือนแต่ส่วนมากนี่คนไม่ค่อยชอบไง ข้อเตือนตรงๆนี่ก็ไม่ค่อยชอบแต่ข้อดีของกุฎานี่นะกุานจะเป็ น, ข, นข้อเตือนสำหรับคนที่ยินยอมให้กุอานมาเตือนซึ่งคนเราทุกคนนี่นะจะรู้คุณค่าของเพื่อนที่เตือนนี่นะในกรณีเดียวตอนที่ไ อ, อ้เพื่อนคนนี้เนี่ยตอนมาเตือนเราตอนมันอาสามาเตือนเราเองอะนะเราไม่ชอบขีหน้ามันเลย แต่ตอนเจอวิกฤตแล้วไม่มีใครเตือนเราอ่ะนะเราจะนึกถึงใครคนแรกเลยคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วเราจะเป็นคนเดินไปหามันเองบอกว่าเอ้มึงเตือนกูหน่อยดิพอเรารู้ไงไม่มีใครจะเตือนเหมือนเพื่อนคนนี้กูอานก็เหมือนกันผูอ่านั้งคนนี้ไม่เห็นคุณค่าของกูอ่านนี่ก็จะวางไว้บนหิ้งกัน อยู่บนหิ้งอยู่บนโต๊ะอยู่นั่นนะไม่แตะไม่อ่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่เมื่อเรารู้และเห็นคุณค่าของกุศอ่านแล้วเราก็ไปหยิบกุศอ่านมาอ่านเนี่ยเอากุศอ่านนี่มาใส่ใจเราใส่ใจเราจริงๆริงเลนะตอนนั้นแหละครับเรานี่จะเป็นคนรู้คุณค่ากุศอ่านในฐานะที่เป็นผู้เตือนนะเป็นเป็นข้อตักเตือนนะและตอนนั้นนะ่ะถ้าเราอ่านกุศอ่านในสภาพที่เราต้องการข้อตักเตือนจริงๆตอนนั้นนะ่ะมันจะมีประโยชน์แน่นอน แต่เราต้องเดินเองคุณอาจจะไม่เดินมาหาเราหรอกคุณอ่านก็วางอยู่บนหิ่งนี้ก็ว่าก็ชันอยู่ตรงนี้แหละนึกถึงชั้นเมื่อไหร่ก็มาแล้วกันเจอกันในรัมยอนปีหน้าไม่บ า, บายในรัมยอนปีหน้าค่อยเจอกันนะอาแล้วก็เจอกันต้ก็เจอกันทุกวันนะ่ะเจอบนหิ่งเจอบนโต๊ะใจอนะั่ง สบายดีนะคุณอ่านสบายดีนะนิสัยคนที่ไม่เห็นคุณค่าของกุณอ่านยิ่งอาจจะเห็นคุณค่าของกุณอ่านนี่ได้วกว่ามือถือไลยซักตอนนี้มือถือไม่ได้แล้วนะ <c oughs> มือถือนี่เขาบอกว่ามันเป็นดวงวิญญาณไปแล้วเอามือถือจากเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้วางมือถือนี่มันเท่ากับดูดวิญญาณไปเนี่ย ตูดวิญญาตเวลาราไม่มีวิญญาตขนาดเข้าห้องน้ํำยังต้องเอาไปด้วยคิดดูดิขนาดมีคนโทรมาตอนมีธุระในห้องน้ํานี่ยังรับกันนี่นี่คุยเวลาเข้าห้องน้ำไม่เห็นคนคุยนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยนะประเด็นนี้นี่มีเยอะมากเลยเนีเข้ามาเนอ้ยกูบอกมันแล้วมันดันนั่นในห้องน้ำอนี้ห้องประชุมเปล่านะไม่ใช่ห้องน้ําจริงๆ เขาประชุมกันในห้องน้ามันรับโทรศัพท์ในห้องนคุณอ่านจะจะหาความสําคัญในชีวิตของเราที่จะที่จะมาอยู่มาครอบครองหัวใจของเราสมองของเราขนาดนี้เมื่อไหร่ล่ะอบบาฮกรสุดี้เข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเอาก้อนหินมาอมเพราะแกในซิกุรุลลาตลอลาเนี่แกกลัวว่าจะเข้าห้อง น, น้ําจะมีซิกุรุลลานะอม อมหินไว้เนี่ยจะได้จำได้ว่า อ, อยู่ห้องน้ำนจะได้ไม่ไม่ลืมตัวด้วิครุ่เนาะแล้วคนนี้รำลึกถึงตลอดตลอดเวลานี่มีข้อเตือนอยู่ในสมองของเขาตลอดเวลานี้นี่นี่คือสภาพที่เราต้องการเห็นคุณค่าของกุศลนในแทนหน้าจะเป็นข้อเตือนเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีข้อเตือนเหมือนในมือถือเนี่ยเราตั้งค่าไว้ อ่าหมายนักนี่ช่วงนี้เนี่ยให้เตือนหน้าก่อนถึงเวลาหนาทีแล้นี่ประชุมนี่ก็เตือนทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเรางานของเราเนี่ยอยู่อยู่ในปฏิทินของโทรศัพท์ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ารั่วหมดเลยไม่รู้นัดกับใครคุยจะคุยกับให้ประชุมไม่ ร, มรู้ไม่รู้เลยอ่ะโทรศัพท์นี่ต้องอยู่กับเราคุณอ่านก็ไม่แพ้ไม่แพ้โทรศัพท์ไม่แพ้อุปกรณ์เหล่านี้นะคุณอ่านนี่จะเตือนเรา อย่าทำบาปให้ยอมเกรงอัลลอฮอย่าลืมมวนเกียรมะกอย่าลืมความตายนี่ทั้งหมดเดียวเราต้องจดจำตลอดทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของกุศานี้มันอยู่ตรงนี้ไม่มีตำราใดๆไม่มีเครื่องเครื่องมือเครื่องไม้ใดๆที่จะทำหน้าที่แทนกุานแบบนี้นได้เราจะกุานทำยังไงะครับให้ การทีุ่อานเป็นมอมัอซนนข้อเตือนนี่ที่มีคุณค่าในชีวิตของเราก็คือต้องอ่านอ่านทุกวันอ่นทุกวันนี่มมาีว่ต้องอ่าน ต, อ, อ, านต อ, อยอะนะอนอ่า น, านไม่มีนะในในหลกักการศาสนาข้อบังคับว่าจะต้องอ่านวันละยุษวันละสองยุษสามยุษไม่มีแต่มีมีตัวบท มีฮะดีสที่ใช้ให้เราได้พยายามอ่านคุรอรนบางส่รนนีอ่านทุกวันหลายรอบเช่นอายะกรซีสามคุลให้อ่านทุกวันเลยสุรัตอัลมุลกทต่บารักละดอ่านควรอ่านทุกวันนมันเป็นการส่งสัญญาณว่าบางส่วนของกุรอรนนี้เราจะต้องอ่านอ่านบ่อย่ะ บางฮะดีษนี่ดาสัดาละหครั้งเช่นะดีษให้อ่านสุรัสอัลกัฟฟทุกวันศุกร์แม้นว่าเป็นฮะดีษได้ฟื้นแต่ิบัติไม่ได้ะดีษอัสกัฟฟีวันศุกร์เป็นฮะดีษได้ฟื้นนะแต่ใช้ได้ปฏิบัติใช้ได้สุรัสอัลกัฟฟีหนึอายะหนึ่งอสายะอ่านดาละครั้งสุรกฟีนี่มีทุกเรื่องเลย ในข้อเตือนหนึ่งดุนยาหนึ่งอาคีรอเรื่องเรื่องอามาน่าเรื่งการยืนหยัดเหาะที่สุดโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตถึงนาบีบอกว่าใครที่ท่องจำสิบอายะแรกบางเรื่องบางก็สิบอายะแรกของสุรากฟบางเรืงานบอกก็สิบอายะสุดท้ายบางเรื่องบางก็สิบอายะสัก10อายะในสุรากฟีเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองให้หลุดพ้น หนีพ้นได้จากมัสซียดัดยันวิกฤตมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้อธิบายสุ่ยอัลกัฟฟี่ไปบอกว่าทุกสิบอายะในสุ่ยอัลกัฟฟีนี่นะมีคุณค่าสําคัญมีเนื้อหาสําคัญในเรื่องยืนยัดในเรื่องศาสนาทุกสิบอายะฉะนั้นแต่ฮารีซบอกว่าใครอ่านสิบอายะอันไหนก็ได้ของสุ่ยอัลกัฟฟีนะได้ประโยชน์ที่จะพ้นจากมัซียดัดยันใช่เพราะจะสอนให้ยืนยันในหลักการศาสนาอย่าเคว สรุปแล้วมันมีตัวบทที่จะให้เราเนี่ยอยู่กับคุฎอ่านประจำวันประจำสัปดาห์คือต้องอยู่อยู่กับคุฎอนะ่านอย่างน้อยเนี่ยมีบางส่วนเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องอ่านแต่ท่านนาบีเนี่ยจะหล่อเลี้ยงสฮาบะของท่านเนี่ยพยายามหล่อหลอมให้สฮาบะนี่อ่านกุฎอ่านเนี่ยให้ได้สักจบหนึ่งเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้ สี่สิบวันครั้งมากที่สุดให้จบสักจบสักจบหนึ่งจะดีที่สุดเท่าที่ทำได้เรื่องที่สองนะครับนอกจากว่ากุรอานนี่เป็นข้อเตือนมือไหร่ว่าตุ้มิรบกุมข้อตกเตือนจากพระเจ้าของพวกท่านแล้วกุรอายังเป็นชิฟ้าชีฟ้า ถามว่าชิฝานีแปลว่าหายป่วยไม่ใชยาบบัดนะชานี่หายแล้วิทธิเนีบอกว่าไปเยี่ยมคนป่วยให้ขอดูเขาว่ ي อัสลัลลอฮัลอาซิมรบบะลารุสอัลอซิมอันเยชฟิยาอันเยชฟิยาขาให้ทำหายหายหายป่วยอัลลอฮมัชฟฮีชาอัน ع oh Allah, ا, إ ع ي ي. ي ج ب ب إ أ ل ลน์ไม่กวาดิรุ ا ักมาอัลลอฮฺไคลฮิฮีหายก ا เลนวาวา ا ي ม่กวาด م รสกมาไม่ให้มีความเจ็บป่วยเหลือแม้แต่น้อยอิชฟชิฟานี่หายป่วยไม่ชยานะแต่จะอธิบายว่าเป็นยาได้ในทางอ้อม เขาบอก ا, بين, بين ب ب ว่าล้วุรานั่นก็เป็นเป็นการบาบัดหมายถึงว่าเป็นเป็นการรักษาเป็นการรักษาให้หายอีกอายันหนึ่งในสุรษัลิสราห์อัลลอฮฺบอกว่าอุนซิลูมินะลุุรานีมาหัวชีฟาอุเราได้ประทานลงมาส่วนหนึ่งของอัลกุรานเนี่ยมาหัวซึ่งเป็นชีฟาเป็นการให้หาย ป่วยหายเจ็บป่วยอลมะจึงบอกว่ากุรานเป็นยาบำบัดรักษาโรคทุกชนิดไม่มีข้อแม่รักษาโรคที่ประสบกับร่างกายของเราและโรคที่ประสบกับจิตใจ จิตวิญญาณของเราทั้งสองสุนนะของนบีล่านอะวะซัลลัมพิสูจน์ให้เห็นว่านบีละซาวะนี่ก็เคยใช้กุรอ่านเนี่ยในการบำบัดความเจ็บปวดของร่างกายเช่นหัวหน้าเผ่าอาหรับที่โดนงู ก, กัดอันนี้ น่าจะบันทึกที่มันบุคดลีทัา้าจัไม่เป็นประเด็นนด้นนี่านอนายบูชายดัลกุดรี صحاب กลุณหนึ่งเขาได้เดินทางไปปกติในอาหรับนี่เวลาเขาจะเดินทางไปที่ไหนแล้วก็เป็นที่แห้งแล้งไม่มีอะไรจะกินจะดื่มเนี่ยแล้วก็มีคนพักอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะถ้าเขาไปขอความมนุเคราะห์ให้เขาค้างแรมคืนหนึ่งแถวแถวหมู่บ้านเขาเนี่ย เป็นธรรมเนียมเลยของชาวอาหรับเนี่ยจะต้องดูแลต้องเป็นแขกเป็นแขกที่ต้องดูแลต้องและต้องส่งน้ําส่งเสเบียงให้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเป็นเป็นขั้นพื้นฐานของชาวอาหรับทั่วไปเนี่ยทั่วไปแล้วท่านน บ, บีส่งเสริมมารยาทนี้สําหรับคนที่เป็นมุสลิมถ้ามีใครแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องสเบียงเรื่องอาหารการค้างแรม และเขาไม่มีความสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อะนะท่าสนสารวมาบางังท่านบอกาวยิบสำหรับคนในหมู่บ้านนั้นๆน่นนนนะที่จะต้องให้พื้นที่ค้างแรมให้อาหารให้สเสบียงอย่างน้อยสามวันสามวันแล้วก็ค่อยไลย่แต่ถ้าเขามาขอเขาไม่มีต้องต้องดูแลเขาต้องเขาได้ดียาฟ้าดียาฟ้าแลวรับแขก อันนี้เขาไปลงตำบลหนึ่งเนี่ยมีชาวอาหรับนี่ร่ำรวยนยี่มีมีปศุสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าขอนอนสักคืนหนึ่งขออาหารมีนมมีนมแกะมีอะไรมาสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นคนแปลกหน้าไอไอหัวหน้าเผ่านี่ก็เหมือนขี้เหนียวอะ่ะไล่แบบไล่ไม่ยอมต้อนรับเนี่ยเพราะรูว้ว่าเป็นพวกพวกมุฮัมมัด ไปใกล้เขาก็ไปไปนอนข้างนอกกันนะนอกหมู่บ้านนะหัวหน้าเผ่าคนนี้เนี่ยโดนหมูกัดแน่นอนตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีนะครับโรงแรมบำรุงราดโรงแรมอะไรที่ไม่มีจะพาหัวหน้าเผ่ไปไหนก็ไม่ได้จะหายาอะไรมารักษานี่หัวหัวหน้าเผ่านี่ งูกัดนั่นน่ะงูทะเลมพวกงูกระดักงูไอ้นี่งูเาอ่ะเออมีในทะเลซานี่ยงูชนิดหนึ่งน่ะน่ะมันไม่ต้องกัดนะมันพ่นพิษอย่างเดียวเนี่ยก็ตายแล้วหัวหน้าเผ่านี้เริ่มสันแล้วไงเริ่มเริ่มอาการไม่ดีแล้วอะทํำยังไงอ่ะก็ไปถามทุกคนเน่ยใครมียาใครมีอะไรไหมยาของเขาตะกอนนู้นน่ะคู้ทุกทุอย่างส่วนมากเนี่ยเขาจะเรียกกันญานี่คือรุกยา รุกี้นี่จะเป็นยาแม้ว่าจะเป็นดุอาหรือจะเป็นคือส่วนมากเนี่ยเวลาถ้ามียานะแม้กระทั่งหมอเนี่ยเขาจะต้องเอาหมอนมากินแล้วก็ต้องมีเป่ามีพ่นอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เรียกได้กรุกี้ทุกอย่างที่เป็นการรักษาเนี่ยเรียกรุกีก้แล้วคนที่รักษาเนี่ยเขาจะเรียกรอกินรอกินนะคือคนที่อ่านรุกีย้รุกี้อย่างนั้น เ, เข้าใจแล้วนะดูอาไงดูอาเขาก็มาถามซาฮาบานบี oh ah ir, เนี่ฮัลมินคุมม um ิรากิน มีใครที่อารุกยาเป็นไม่คือรักษารักษาโรคเป็นไหมอันนี้ไม่ใช่รคมืดนะอันนี้โดนงู ก, กัดนะโดนงู ก, กัดนะเรื่องร่างกายชัดๆแต่โดนพิษพิษงูไงสหามาคนหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยไปเขาก็มีเ ร, เราเราจัดการให้เขาก็ไปเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะไม่ไดีบอกว่าพวก ค, คุณขี้เหนียวเหลือเกินอะไม่เอาเอาไปรักษาก็ไปรักษาโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงินไขเลย ไปรักษาอ่านฟาตีฮาแล้วก็พ่นน้ําลายเป่าไปเขาบอ ก, ก, บอนนกว่าก็อันหนามาหน้าเฉาตอนมิน่อยกัดเปยกคือตอนนี้นอนหง่อยเลยขยับตัวไม่ได้สันส น, นิ่นนะพะออ่านฟาตีฮานี่แล้วก็พ่นในแผลนี่ที่งู ก, กัดนี่นะลุกขึ้นเฉยเลยเขาทึ่งดิย่าแรนขนาดนั้นเลยนะอ่านฟาตีฮาพ่นนี่นะ่นลุกขึ้นเลยอะ่ะย่าแรน คราวนี้แหละใจบุญทีเดียวใจบุญลเลยแต่กีเนไม่ยอมให้ น, นมก็ไม่นมแพ้ก็ไม่ให้นะคราวนี้เนี่ยยกไปเลยเนี่ยฝูงฝูงแพ้เนี่ยกไปเลยหวาาวัวหน้าเผ่าดีใจดิฮาบ้านี่เขากลัวกลั ว, วอ่อนนี่เอากุณอ่านมาแลกกับมาแลกกับสิ่งเล็กน้อยของดุญญาเนี่ยเาก็ไม่แตะเลย แพรที่เขาได้มานี่ไม่แตกเลยจนไปถึงมา ด, ดิน่าเนี่ยไปปรึกษานบดุลเบกคืออย่างที่บอกกับพี่น้องก่อนหน้านี้คนที่อาจจะขยันทำไมบาดาเนี่ทุกยุคทุกสมั ย, ยอาจจะมีมากกว่าซาบ้านี่มีแต่คนนี่ละเอียดและมีวรระมีความมีความรอบคอบเนี่ยเหมือนซาบ้านี่ไม่มีไม่ ม, มีไม่พบปะหิวก็หิวนะ คือแค้นก็แค้นนะไอ้คนนี้เนี่ยแค้นกแนนะ็แค้นได้มาแล้วนี่ฝูงแพ้ทั้งฝูงเลยเนี่ยไม่แตะเลยนะจนนึกอย่าเพิ่งแตะนะเพราะเราไปทําบุญกับเขาแล้วเขาให้นิ่มให้แพะมาเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยเราไปถามนาบีก่อนเอาไปถามนาบีมันก็ได้กินได้แล้วก็เอามาให้ฉันส่วนนึ่งด้วยสรุปแล้วนี่เขาเอาฟาติฮานี่มารักษา คนที่โดนพิษงูซึ่งเป็นเป็นโรคมันเป็นความเจ็บปวดด้านร่างกายไม่ใช่ด้านจิตใจและแน่นอนการที่กุตัานเป็นยาบําบัด ร, รักษาโรคทางจิตวิญญาณทางจิตใจเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วที่จริงอุลมามะบางท่านนี่ยนะได้บอกว่าที่จริงเนี่ยกุตัานเนี่ยเป็นชิฟาเป็นยาบําบัดเฉพาะโรคทางจิตใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างกาย ปังท่านนะนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากุร์านได้เรียกโรคทางจิตใจเนี่ยว่าเป็นโรคในกุรอรานนะมีพูดถึงเรื่องนี้เช่นเทอรอพูดถึงพวกมูนาฟิกีนบ่อยนะว่าหัวใจคนมีโรคฟีกุลูบิหิมมารอดุนในหัวใจของเขานมีโรคโรคอะไรอุลมาเนี่ยว่าว่าอัลชูบะฮูวัลชูคุคู ชูบานีก็คือเรื่องคุ้มเคือเรื่องเรื่องข้อสงสัยในศาสนาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มั่นคงในอิมาในความศรัทธาทำให้เขาเป็นกลายเป็นมุนาฟิกสแสดงว่าสภาพจิตใจที่ไม่สามารถสแสวงหาความรู้อันที่จะสร้างความกระจ่างและความหนักแน่นในด้านความรู้อันที่จะนำมาซึ่งความหนักแน่นด้านความศรัทธามัน กูอ่านได้กูโรคคนลังเลขี้สงสัยอะไรเงี้ยสตวรที่สิ ท, 19, ที่ยี่สิบคริสตการเนี่ยสองสัตว์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยโลกยังไม่ค่อยช่วงต้นๆ้นของศตว์ที่ยี่สิบสัตวษที่19ต้นต้นครึ่งหนึ่งของศัตว์ที่ยี่สิบโลกยังไม่ยอมรับว่ามีวิชาเรียกว่าจิตวิทยา ยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าจิตใจเนี่ยมันสามารถพริสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมเขายยงแย้งเลยนะไปเรี่อวิทยาดิวิทยาดิ ad, มันต้องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ไม่ไม่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้แต่จิตจิตเนี่ยมันพิสูจน์ยังไงอ่ะมันยังไม่มีอะไรไม่มี l ลบไม่มีอะไรเลยพิสูจน์ไม่ได้ แต่คุณอานนี่พูดมานานแล้วว่าจิตใจนี่มีโรคแน่นอนมีโรคโรคที่อาจจะเกิดจกากจิตใจเองหรืออาจจะเกิดจากยินกรีนเชตตอนก็ได้นะที่เกิดจากกรีนและเชตตอนนี่คุณอ่านได้บอกมิฉะนี้ลวเสวสิลขันนัสลวเสวสที่มันกระซิบกระซาบโรคที่เกิดจากการกระซิบกระซาบคือวเสวสะ วสวะสะคืออะไรคือคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคที่จิตวิทยานี่เขายอมรับว่าเป็นโรคนะเขายอมรับว่าเป็นโรคแล้วนะคุณอ่านพูดถึงมานานแล้วมีมาจากเชตตอนแล้วส่วนมากนี่ก็จะมาเรื่องเรื่อ ง, องย้ำคิดย้ำทำเนี่ยน่าจะมาจากเชตตอนส่วนมาก แสดงว่าค hey, ok, ุรานนี่สามารถบาบัดทั้งโรคทางร่างกายและก็โรคทางจิตใจแต่สุวนหนของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมให้ทางนาว่าการรักษาโรคทุกชนิดเนี่ยย่อมมียาของมันแต่นบีไม่ได้บอกนะว่ายาของมันนี่คืออะไรแต่นบีบอกว่าที่ี่มันตงบุคลมุสลิมมนซาลลอฮมิด ا ن إلّا وأنّزاله ไม่มีโรคชนิดหนึ่งที่อัลลอ์ได้สร้างขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยอิ่แล้วเว้นแต่อัลลอ์สร้างให้มียาของมันท้าย h a d i นีบบ้นะบกว่า ه, ه ه ه ه. าลิมะฮูมันาลิมะจฮิลมันฮิละใครจะรู้ก็รู้ไปใครไม่รู้ก็อดแสดงว่าน บ, บีกำลังส่งเสริมให้เราเนี่ยค้นหาความรู้ที่สามารถพบเจอยาที่รักษาโรคต่าง จึงต้องยอมรับว่าโรคบางอย่างเนี่ยมันมียาของมันเนี่ยที่จะต้องค้นหาโดยที่ไม่ต้องอาศัยอัลกุรรานสมัยท่านนาบีก็ยอมรับกุรรานนี่ก็ให้ให้แสงสว่างในเรื่องนี้ในกุรรานีอัลลอฮ์บอกว่ า, วาน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาบาบัด ร, รักษารักษาโรคทุกชนิดฟีช فاء ุลลนส มีสิ่งที่จะให้บําบัดสําหรับมนุษยชาติทั้งหลายทั้งนั้นดิน้ำผึ่งนี้นะไม่ใช่กุอานแน่นอนแต่กุศลเนี่ยชีแนะว่าเนียมันมียาที่รักษาโรคหลายชนิดสุนนะของท่านนาบีก็เช่นเดียวกันแนะนําฮับบาตุสซาวดะว่ารักษาโรคทุกชนิดยกเว้นความตายอันีแสดงว่ามันมีแนวทางที่จะบําบัดอื่นจากกุอานจึงไม่บาปไม่ผิดแล้วสิถ้าเราจะบําบัด โรคอื่นๆทางร่างกายหรือจิตใจนะหรือจิตใจนะโดยที่ไม่ได้อาศัยในคุฎอัดไม่ผิดละคนที่จะกินน้ําผึ้งกินจะกินฮับบาซาดาหรือไปหาหมอหมอจดยาไปกินยาของหมอหมอแพทย์ปัจจุบันเนี่ยหรือแพทย์จีนหรือแพทย์ไทยหรืออะไรก็ส่วนไหนก็ตามถ้าพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วเออมันมีผลนะนะทําได้ ไม่ผิดหลักการศาสนาและไม่ผิดหลักตะวักขุลการมอบหมายต่อล l l a h แต่อย่างใดเพราะในฮะดีษเดียวกันนี้นะบางรื่งานเนี่ยของฮะดิษเนี่ยนบีได้บอกว่าฟาตาด้าอวบาดัลลอฮ์โอ้บากของ Allah ทุกคนทั้งหลายพวกขั้นจงบำบัดกันเถิดแต่ด้วะดิษนี้เนี่ยอุลามาเนี่บอกว่าการบำบัดโรคต่างๆย่อมประเสริฐกว่าคนที่ไม่ยอมบำบัดแล้วก็ยอมมอบหมาย โรคของตัวเองให้อัลลอฮ์ได้ช่วยบำบัดโดยที่ไม่ต้องกินยาซึ่งเป็นสองแนวทางที่อุลมามะเขาบอกว่าย่อมทําได้แนวนึงก็คือกินยาแนวที่สองไม่ต้องกินยาเลยแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำได้แต่ทัศนะอุลามาส่วนมากโดยเฉพาะยุคนบีละซารบ้านี่เขาบำบัดกันแล้วเขาอ้างหะดีษเนี่ยแต่ดาวูเป็นคําสั่งบางทัศน์ถึงขั้นที่บอกว่าไม่ได้ต้องต้องมัต้องกินยา วา j ันีคนิแต่ดาอูสังวแต่มีโรคชนิดหนึ่งที่แพทย์ปัจจุบันทุกชนิดนนแพทย์ที่คนเขายอมรับกันเนี่ยประก็บดว้วแพทย์นี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับว่าคุรานเนี่ยสามารถบำบัดได้และนี่คือหมายรวมของอายานี้เนี่ยโดยแก่นแท้พอที่อัลลอฮ์ด้บอกว่ า, วาชีฟาอุลลิมาฟิสุดูรเป็นสิ่งที่บำบัด ที่อยู่ในหัวใจสุดรุน่นในทรง อ, อกของเรานี่ยนะทำไมจึงอยูในหัวใจอ่ะนะอันเดียวก็เลยที่อัลลอฮ์ในบอกว่าพีกุลูบิมมารตุนในหัวใจของเขาในมีโรคกุรานเนี่ยที่จะมียาบําบัดรักษาโรคที่อยู่ในหัวใจกี่ชนิดละ่ะโรคเนี่ยเนีย่ยที่คนนี้ก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่ากุรานเนี่ยสามารถบําบัดโรคชนิดหนึ่ง <c oughs> โรคชนิดหนึ่งก็คือความเขา่าความโง่เขา่าความเจอะเฮเป็นโรคคนเขาไม่ยอมรับกันหมนเป็นโรคเกาไม่ยอมรับมีปริญญาเอกปริญญาเอกไอที IT อย่างเงี้ยปริญญาเอกเป็นหมอเป็นอาจารย์หมออย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ากับคนประลก ในสายตาของอิสลามยก็ถือว่าแย่หินถือว่าเป็นคนโง่เขลาแล้วก็เป็นโรคเป็นโรคที่ต้องรักษาการรักษาโรคนี้นี่ก็คือการาศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวเลย <c oughs> ฮานิสบทหนึง่งในสงครามที่ท่านนบีสุลต่านส่งสัฮาบากุมหนึ่งไปสูร้รบช่วงหน้าหนาวหน่อยแล้วก็พอไป ไปเจอกับศัตรูเนี่ยก็ปะท่ากันนิดนึงก็มีศอบมาท่านหนึ่ง <c oughs> บาดเจ็บบาดเจ็บสาหาัสโดนฟันที่ศีรษะเนี่ยจนแผลนี่มันลึกหน่อยแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นน่ะนะก็ก็ฝันเปียกกลางคืนฝนะันเปียกก็ไปถามแม่ทัพในฐานะที่เป็นผู้นำมานะถามแม่ทัพบว่าทำยังไงดีต้องอาบน้ำาช่นะมปะต้อง ล้างหมดนี่เนี่ยผขก็ต้องล้างมดุดเขาก็เลยไปเทน้ํามดใแผ่นนี่น่าจะน่าจะลึกมากนะนะก็ถึงแก่ถึงแก่กชีวิตเลยอะ่ะตายเลยอะ่ะพอมาถึงมาดินาเขกาก็ระแรงานท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลฺนบีก็เลยคือนบีประนามเลยอะ่ะ ق ตั้ลูหุกตัล ا ุมุมันนี้เนี่ยพวกนี้แหละที่ที่มันที่มันฟะตัวมันฆ่ามันเลยเงี้ยฆ่ามันเลยขอแช่งมันสทีฮั س, ل, س ل و إِذْ جَهْلُ فَإِنَّمَا شِفَاءُ ا, ل, إ ل ع ِ ي, ي, ي, ي ل س َْ ا ل ِในเมื่อเขาไม่รู้ทาไมเขาไม่ถามเ่าแท้จริงการบาบัดการบาบัดของโรค ความโง่เขา อ, อัอลออฮีเนี่ยไม่ว่าความโก่ความไม่รู้อะชิฟาอุลลอฮีการบำบัดการรักษาการที่จะให้หายโรคชนิดนี่โรคความโง่เขาเนี่ยอสุแอรู้คือการถามคือการศึกษาแสดงว่าอับดุลบีเรียกว่าความใจเฮเนี่ยมันเป็นโรคชนิดหนึ่งมิ ต, ตินี้เนี่ยของโรคจิตใจเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับคนในชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องสับสนสับสนกันอะไรสับสนกับหลเรื่องสับสนกับสัจธรรมความจริงโลกนี้มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าฉันถูกไม่ถูกอยู่กันอย่างนี้ยังไงคนก็คนก็นกเกิดคนก็ตายอยู่กันอย่างเอดคนคนส่วนมากเขาคิดกันเขาคิดกัน แล้วบางคนถึงขังน้นนี้ความสงสัยของเขาเนี่ยทําให้เขาเต้องศึกษาจะได้สแสวงหาความถูกต้องและจะต้องคือจะต้องฉีกแนวอะ่ะคือจะต้องปฏิเสธสิ่งแวดล้อมที่เขาเกิดมากับสิ่งที่เขาไม่ให้คุยเรื่องนี้เขาไม่ต้องไปคิดไปเครียดอะไรกับเรื่องนี้เพราะคนส่วนมากนี่อย่าว่าเขาไม่เขาคิดนะเขาคิดโลกนี้มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าหรือเงืเขาก็คิดนะ แต่เขาไม่ไม่ไม่ไมาไม่ซีเรียสเมื่อตอนบ่ายนี่ได้ดูคอนเทนต์ของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตอนนี้กำลังกินหมูกระทะอยู่กับเพื่อนเชื่อเชื่ออะไรเพื่อนเชื่อมุฮัมมัดอัสรีเฮ้ยมุฮัมมัดมึงมึงเป็นอสลามั้กวะเออกูลืมคอนเทนต์ ไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นพูดกันหมดก็ได้หรืออาจจะมีเพื่อนเป็นมุสลิมจริงก็ได้แล้วมุสลิมเอาด้วยแต่ในทุกกรณีนะในทุกกรณีคือมีเนี่ยในสังคมเนี่ยกลุ่มที่เขาเขาเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นคอนเทนต์เรื่องหลักการเรื่องความเชื่อเรื่องมาเป็นคอนเทนต์ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไง การนี้ไม่กินหมูนี่มันเป็นหลักการนี่มาจากพระเจ้านี่มีเป้าหมายลึกซึ้งมีประโยชน์สําหรับมนุษย์เออมีอะไรหลายอย่างถ้าอธิบายเนี่โอ้อธิบายยาวเลยไม่ควรที่จะเอามาเป็นเรื่องคอนเทนต์มามาพูดเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นมุสลิมถ้าเด็กนี่เป็นมุสลิมจริงแล้วเขาต้องการทําคอนเทนต์จริงๆแบบนั้นนะนะ อ, อ๋อลืมนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆรู้กันกระจายเนี่ยว่าความถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรแต่เขาไม่อยากจะซีเรียสกับเรื่อง มุสลิมเี่ยเขาไปนั่งวงกินเหล้ากันนะเขารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมไปนั่งวงกินหมูกระทะนี่มีนะมุสลิมีแล้วเขารู้แต่เขาไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมาใส่ใจแล้วมาซีเรียสกับเรื่องนี้เขาต้องใช้ชีวิตต้องเข้ากับสังคมต้องอยู่กับเพื่อนเขาต้องสนุกสนานศาสนาที่จะจํากัดพื้นที่ให้เขาเนี่ยไม่ทําเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่สําคัญพอในหัวใจในสมองของเขาที่จะทําให้เขาเนี่ยแสดงแอคชั่น เลี้ยงกูได้ไงหมูกระทะกูเป็นมุสลิมอิสลามยังไม่ใหญ่พอที่จะให้เขาเนี่ยแสดงออกคนนี่คิดนี่ยมีแต่เขาไม่อยากจะเครียดกับเรื่องก็เหมือนคนหลายคนในสังคมเนี้เวลาเจอเรื่องเครียดอะไรสักอย่างนึงก็ไปกินเหล้านี่ไปกินเหล้าไปเสพยาไปอะไรสักอย่างนึงมันจะได้ลืมไม่ต้องซีเรียสม่ต้องคิดมากแต่ศาสนาเขาไม่ใช่ มันมีอะไรในหัวใจของเราเนี่ยเราต้องรักษาด้วยความรู้ด้วยการศึกษาด้วยการแสวงหาความรู้และศักรูแหล่งความรู้ที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ย่งง่ายอคืออะไรกุรอ่านกุรอ่านโรคจิตใจบางชนิดเช่นโรคซึมเศร้า คุณอ่านรักษาได้ไหมโรคซึมเศร้าโดยหลักการนะที่อธิบายกับพี่น้องเลยโดยหลักการเนี่ยคุณอ่านจําต้องรักษาทุกโรคครับทุกชนิดเลยแต่การที่จะรักษาโรคทุกชนิดเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขของมันได้ไม่ได้นี่ก็อยู่ที่ว่าเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขนีมนมน่มันมันมันมีไม่มีแต่ละเคสแต่ละแต่ละแต่ละกรณีหรือเปล่า แตุ่รอ่านการอ่านกุรอ่านการเข้าใจกุรอ่านยึดปฏิบัติตามกุรอ่านสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ไหมคำตอบก็คือได้ได้ยังไงเพราะกุรอ่านได้ปรับทัศนคติของความซึมเศร้าให้มีความซึมเศร้าชนิดลบและความซึมเศร้าชนิดบวก อิสลามไม่ได้มองว่าความซึมเศร้าทุกชนิดเนี่ยมันเป็นภัยเสมอไม่ใช่ทําไมอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาพร้อมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแสดงว่าสัญชาตญาณเดียวเรา Allah สร้างไว้เนี่ยย่อมมีประโยชน์อัลลอฮ์ Allah ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยร้องไห้ได้ไหมมันอยู่ในสัญชาตญาณเลยนะแสดงว่าการ ที่เราจะเศร้าจะร้องไห้จะน้ําตาไหลเนี่ยมันเป็นสัญญที่ต้องมีต้องทําถ้าไม่ทำเนี่ยคือปิดปกติไอ้คนที่เสียใจแล้วก็ไม่ร้องไห้ไม่มีน้ําตาไหลไม่นี่ยคนปิดปกติเราต้องเศร้าบ้างเราต้องเราต้องเสียใจบ้างเสียใจที่ที่ศาสนาให้ให้เกิดขึ้นได้แล้วเป็นบวกเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเสียใจ ในบีลูกชายเสียชีวิตนบีเสียใจน้ําตาไหลนบีเสียใจเสียใจเพราะเราได้พลาดพลาดไม่ได้ละมาสุภีพลาดไม่ได้ทําความดีพลาดไม่ได้เรียนรู้กับกับครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพพลาดที่ไม่ได้เพื่อนคนดีไม่ได้เลือกเขามาเป็นเพื่อนจนเสียโอกาสไปนี่ความเสียใจในเรื่องนี้นี่เสียใจได้แล้วครูนี่จะเสียใจเพราะถ้าไม่เสียใจ เท่าที่ควรนะมันจะไม่เกิดอุทาหรณ์หมายถึงว่าทุกโอกาสที่มันเกิดขึ้นแล้วเราพลาดไปเนี่ยแล้วเราไม่เสียใจเลยนะเราจะไม่มีบทเรียนจะจะบทเรียนจะไม่เกิดขึ้นมันต้องมีความรู้สึกว่าสูญเสียแล้วถ้าไม่เสียใจเลยความสูญเสียมันก็จะไม่เกิดขึ้นมีเพื่อนคนดีได้มีโอกาสจะได้เพื่อนคนนี้แล้วก็แปะแล้วก็เพาไปแล้วก็เราไม่ได้เป็นเพื่อนเลยช่างเขาไป ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าเราไม่รู้สึกสูญเสียว่าโ อ, โ, อ โ, อ โ, อโอ้คนนี้เป็นเป็นโอกาสดีสำหรับเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไงฉะนั้นคนที่เสียใจตลอดชีวิตเพราะเขากลัวว่าจะไม่มีการงานเพียงพอที่จะให้เข้าสวรรค์ในมุมมองของจิตแพทย์นี่นะถ้าจิตแพทย์เนี่ยตามตามโปรโตคอลของเขาเนี่ยเขาจะถาม ใชไหเขาจะถามคําถามบางถามนี่แท้ตอบไหมนี่นี่นี่แสดงว่าเบื้องต้นนี่มีมีผีเศร้าแน่นอนนี่เขาจะถามในคำถามอ่ะเสียใจตลอดเวลากลางคืนนี่ก็ลุกขึ้นร้องไห้ทุกคืนเลยพ่าอ่านสุรนี้นี่พออ่านบทนี้นี่ก็จะร้องไห้พอพอเห็นไฟนี่ไม่ได้ก็ต้องมีน้ําตาไหลนี่นี่ เอง็งนี่เสืมเศร้าแน่เอ็งนี่อ้าวกินยานี่ลูก <c oughs> คือบางอย่างในสายตาจิตแพทย์เนี่ยเขามองว่าเป็นโรคเสืมเศร้าแต่ในี่วนไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันคือสัญชาตญาณของผู้ศรัทธาที่มีข้อผูกพันกับคำสั่งสอนไงคนที่ฟังพุทอานแล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งอันนี้พุทอานฉะยกย่องนี่ถือว่าเป็นนี่นี่คื อ, น, คอนี่คือจิตใจที่มีสุขภาพแข็งแกรง่งคนที่ฟังพุทธาน แล้วร้องไห้น้ำตานี่คือสุขภาพที่แข็งแรงของผู้ศรัทธาไอ้คนนี่ฟังพุรธาแล้วก็ไม่ไม่ร้องไห้ไม่มีน้ำตาไหลไม่เคยมีอะไรแบบนี้นั่นน่ะมีโรคในหัวใจโรคโรคฟีกกลูบี ม, มะระดุนมุมมองมันจะมันจะต่างกันตรงนี้อิสลามจึงบอกว่าการที่เราจะมีความซึมเศร้าเชิงบวกอแล้วก็พิสุด ต, ตรงไหนอ่ะ ซึมในอิสลามเนี่ยซึมเศร้าที่ทําให้เราปฏิบัตินะเช่นเศร้าเศร้าว่าวจะกลัวจะเข้านรกแต่สุดท้ายนี่ละบาตก็ไม่เอากุรานก็ไม่เออถ้าความดีก็ไม่ทําอันนี้อันนี้ดราม่าละ น, นี่ไม่ใช่อันนี้เล่นละครละแต่ถ้าหากว่าเศร้าจริงๆนะไม่พลาดดิกลัวจะเข้านรกเนี่ยก็ต้องเพิ่มทําความดีต้องหลีกเลี่ยงความชั่วต้องอะไรนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากความซึมเศร้านี่แหละเนี่ยนี่นี่คือนี่คือเรื่องที่ตั้งใจว่าจะอธิบายเยอะนะแต่มันมาถึงช่วงเวลาที่มันมันหมดแล้วครับเรื่องนี้ยังพูดได้ทั้งคืนเพราะจะมีเกี่ยวกับเรื่องรคมืดด้วยไงมีคำถามไหมการสงสัยแบบดีแบบไม่ดีต่างก็เหมือนกันแหละสงสัยที่ทำให้ยําคิดย้าทำที่ทำให้เรา ได้เกิดประสิทธิภาพในการงานอันนั้นได้เราสงสัยในเรื่อง n a ซ a s a ทำให้เราระวังจะได้ไม่โดน najasa ล้าง najasa น, นี่ได้แต่อีสงสัยยีมคิดเยี่ยมทําถึงขณะที่เราอาบน้าละหมาดแล้วล้างแล้วล้างอีกนี่จนไม่ทนันไม่ทันเขาละหมาดนี่อันนี้แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่อิสลามไม่ส่งเสริมแน่นอนอันนี้อันนี้ไม่ถึงจะอ้างว่าไอย้ยังไม่สะอาดไอย้ยังไม่ najasa ยังไม่หมดอิสลามไม่เห็นด้วยแน่นอน สงสัยคนอื่นอาจสงสัยคนอื่นสงสัยเพื่อให้เราไปเตือนเขาให้เราไปปกป้องเขาไปคุ้มครองเขานี่ได้แต่สงสัยเขาเนี่ยก็ะจะับผิดเขาอยากได้สงสัยนี่ไม่ได้ห้ามอิสตานิวุกซีรัมมิ น, น, นอัลวันอิสกซีรัมมากมายในเรื่องสงสัยเนี่ยหลีกเลี่ยงซะแสดงว่ามีบางเรื่องสงสัยที่อาจจะมีประโยชน์เฮ้ยสงสัยไอ้คนนี้ ทำไมมันจับเครื่องไม้เครื่องมือดูเหมือนจะป้นหรือเปล่าจริงหรยเข้าธนาการป้นเนี่ยสงสัยนี้มันบางอย่างมันอาจจะมีประโยชน์ไม่ได้ปักปัม๊มแต่มันมีบางอย่างที่ทําให้เราเกิด ข, ข้อสงสัยและมีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นที่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่ององศาสนาที่ว่าสงสัยรางเลนศาสนากับสงสัยการคำถามข่าวคําถามอะไรอย่างนี้ยังไงนะที่ว่าตอนแรกเช็คที่สอ น, นว่าสงสัยคุ้มเคยมี มีการลังเลในหัวใจอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ของพวกมุนอาฟิกใช่ไหมแ้วก็แต่ว่าการหัวใจในเรื่องของการการทำคืออะไรโอคนละอย่างกันสงสัยลังเลเนี่ยถ้าเราจะถามเพื่อจะได้ให้เกิดความกระจา่างไม่สงสัยเนี่ได้แต่เราต้องแยกว่าข้อสงสัยที่ควรจะถามถึงเนี่ยคือข้อสงสัยที่มันไม่ชัดเจน แต่ถ้าไปสงสัยในเรื่องที่มันชัดเจนนี่นั่นแนหะคือปัญหาในตัวเราแล้วนะแล้วเราจะแยกยังไงอ่ะถ้าเราอยู่ในระดับคนที่ศึกษาเรียนรู้ความรู้เรื่องชัดๆนี่มันมันต้องรู้ไปแล้วอย่างเช่นถ้ามาถามเชตกลงอาบน้ำละหมาดเนี่ยล้างอวัยวะอะไรเนี่ยล้างสามครั้งได้ไหมถ้าเราอยู่อยู่ในระดับที่ยังไม่ได้เรียนศาสนาอะไรเลยคำถามของเราเนี่ยมีเหตุมีผล แต่ถ้าเราเรียนฟอสตูอีนแล้วเราปฏิบัติการเราละหมาดแล้วไปฟังผู้รู้มาเยอะแล้วอ่านหนังสือมาเยอะแล้วแล้วมาถามคําถามนี้เนี่ยเพราะเราขี้สงสัยว่าตกลงเ อ, เอาถามอีกทีหนึงให้มันชัดอันนี้แสดงว่าเรามีปัญหาอันนี้ยกคอ ย, ยกตัวอย่างนะเรื่องของการเลือก ข, ขคือเหมือนบ้านเราเนี่ยส่วนใหก็เป็นวัฒนดีใช่ไหมครับแล้วที่เขาไปเรียนที่ต่างๆแต่เมืองนอกมาคือมัน ตามตํราบางคนจะเป็นแบบพี่เชฟบอกใช่ไหมครับแล้วทําไมในไทยไม่ไม่เฉพาะในไทยอนะทั่วโลกชาฟีอีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมึกที่เขาไม่ใช้ละสูตรเนี้น้อยมากที่เขายังยังยังยังแข่งกันในเรื่องนี้มีได้รู้ว่ามี ม, มีมีพี่น้องมาลายูบงบ ง, บงคนอื่ยอ่าใช่แต่น้อยเหมือนกันเนี่ยนี่ไงมอซามตลาดนี่ก็ไม่มีแล้ว เพราะในมัศสมนี้ก็มีทัศนะไงว่าในมัศสมนี้มีทัศนาอาุมอโ่วยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างว่าที่จริงเนี่ยทศนาในมัศสมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องตายตัวที่เราต้องยึดเพราะมีหลายอย่างที่เป็นมัศสมัยเราก็ไม่เราก็พอพออาุมณ์มาลอยกันได้ก็แสดงว่าเรื่องอื่นนี้ก็สามารถอารมมดโดยเฉพาะถ้ามันไม่มีตัวบทชัดๆการที่จะต้องอีจาบกับบูลเนี่เรื่อง เรื่องวาจาในการซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้มีตัวบทชัดก็ตถุประสงแบบนี้ในบ้านนี่เคยมีหรอการทำเหมืองถานี้พวกมีตะลิังอะไรเงี้ยในบ้านมัเป็นชั้นเดียวเนี่ยต้องทำลายของไหแล้วก็ต้องล้างทําบ้านหรือว่าแต่ละชั้นเดียก็ต้องเอาของออกไปก่อนดีของยังอยู่ปะยังอยู่ก็ล้างไม่มีผลเลยถ้ายังอยู่นะล้างไม่มีผลหรอกต้องเอาของออกก่อนเอ้าเลยล้างไม่มีผลหรอก ต้องเอาออกก่อนพวกอาซิมุงอาซิมัด ต, ติลิสมาดนี่ต้องเอาออกออกออ ก, ออกล้างถึงจะมีผลต้องเผาก่อนเอาออกแล้วก็แช่น้ํากุดอ่านแล้วก็เผาถ้าเผาได้นะถ้าเผาไม่ได้กนะ็ไปฝังก่อนแล้วค่อยล้างบ้างที่โรงพยาบาลมีแพ่เม่เคยทำประจำนั่นแหละระผ่าตับคนไทยก็ไม่มาาใช่ซีนะครับแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยแล้วก็ชอบเปิดกุดอ่าในให้คนไทย เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมปะใช่ครับชาวคนไทยที่เป็นมุสลิมแล้วปกติเขาก็ก็ชอบเปิดเพลงให้กันใครที่ไม่ใมุสลิมก็ไม่ละท่าแต่มุสลิมพวกก็เลยเปิดกูดอานนี่ครับคำถามก็คือว่าคนมุสลิมคนนั้นเนะี่ยจะได้ประโยชน์จากการเปิดคำอ่านเขาได้ยินปะเขามายถึงว่าตอนยาสรบปนี่เขาได้ยินปะอ๋อได้ดิทําได้แล้วก็ได้ประโยชน์คนเขาช่วยเปยิดให้อะนะ อช่วยแต่ตัวตัวหมอนี่ไม่ได้ประโยชน์คนไข้นี่ที่ถามคนไข้หรือหมอคนไข้ที่ได้ประโยชน์ห้องไอซูเรามีคนไข้ของเราเราก็ฝากกับพยาบาลบอกว่าแท็เทปหมดแล้วนี่ช่วยพิพพยาบาลไม่ใช่มุสลิมทาได้และมีประโยชน์ سبحان ุกะหลมอัลกุ๊บฮัมดิกษัตริย์อัลลอฮิลาอิลลัลลอฮ์อัสซัลลัม سلام عليكم ورحمة الله